บ <Book> <42. S 3> ุ๊กทูสี่สิบสองโชว์อฟรการเที่ยวเมืองสายชิงอีบุญตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแอรมาคิดเปิอมซุ่นดาน งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับนิดรนิศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับสสวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับ พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันเพื่อรหัสศ ป, ปดีใช่ไหมครับอรออเออหอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับเ อ, อีอสเ่สาสามารถถ่ายรูปได้ไหมครับมูแมนเช่บิลโต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับเกลแมนบิ ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับ well, มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับมีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับมีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับ นั่นตึกอะไรครับนั่นออะับนัอะไรครับร น, น, รนั่นร่นคืออะครับน่นคืออะรครับนั่คนัรครับนนคครับนันรนันคครับนัรรันนัรร ผมสนใจในศิลปรกรรมผมสนใจในจิตรกรมมใใต ร, กรม